อดทนอยู่ทุกวันนี้เพราะเพเห็นแก่หัวใจของเพื่อนฝูงที่เป็นนักบวชมีเจตนาและตั้งหน้าต่างๆาเข้าขมาประพฤติปฏิบั ต, บติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนจึงได้ทนอยู่เพราะเทียบเทียงหัวใจของเราเอง กับเพื่อนฝูงที่ส่อแสงหาครูหาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนนั้นมีความรู้สึกอย่างเดียวกันการเรียงตามปริยัติที่ท่านชี้แนวทางไว้เป็นกลางกลางมันเป็นหลักใหญ่ของศาสนา เราก็ได้เรียนมาพอสมควรด้วยกันแต่เวลาจะแยกแยะเอาธรรมะส่วนที่จำเป็นมาปฏิบัติหรือแก้ไขเป็นเองนั้นมันแยกแยะไม่ถูกไม่เข้าใจที่จะแยกแยะมาใชา้มาทำประโยชน์แก่ตนทั้งๆ ท, ที่เรียนมาแล้วด้วยกันนี่เคยเป็นมาแล้ว พูดถึงสมาธิก็ขเข้าใจไม่ตรงกับความจริงเพราะยังไม่ประสบความจริงขึ้นที่ใจทั้งนี้เนื่องจากไม่มีครูอาจารย์แนะนำสังสอนเป็นตัวสักขีพยานพาดำเนินให้เห็นต่อหน้าต่อตาทั้งด้านปัญญาก็เช่นเดียวกัน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 นาขนาดใดมาก็เหมาะสมกับโรคของคนไข้จนเรืนั้นๆไม่ปิดพลาดเหมือนหมอเถื่อนที่ไม่เลวมีทั้งการศึกษามีทั้งด้านปฏิบัติทางการแพทย์มาก่อนการสอบแสงหาครูอาจารย์หี่แนะนำสั่งสอนในทางที่ถูกต้องแน่นดำ เกี่ยวกับการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่หายากอยูมากไม่น้อยเลยการจดจำนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าท่านว่าเราต่างได้เรียนได้จดได้จำมาแล้วหากไม่เป็นที่แน่ใจที่จะนามาปฏิบัติต่อเป็นเองด้วยความถูกต้องจึงต้องเกิดความสงสัยสงสัยสนเทในเวลาจะประพฤติปฏิบัติเข้าได้เข้าเขียจริง ด้วยเหตุนี้จึงต้องเจาะสดงหาครูหาอาจารย์เห็นครูเห็นอาจารย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราผู้มุ่งปฏิบัติเราคิดเทียบเทียมท่านผู้อื่นมาเกี่ยวข้องกับเราเราคิดถึงใจเรากับ ท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายเป็นความรู้สึกกันเดียวกันหรือเป็นความจำเป็นอย่างเดียวกันที่จะต้องเสาะแสวงหาครูให้ใจม า, าเป็นที่แน่ใจจึงไม่ทนอยู่ก็หมู่กับคณะาตามหลักนิสัยแล้วน่าจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะไม่ค่อยจะมีความหนักแน่นหร้นนใจ ในทางการแนะนำส อ, อนใครๆมากดังที่เป็นอยู่ซึ่งเกิดขึ้นเป็นขึ้นมาเองนี้เลยก <c oughs> ารดูลลำพังคนเดียวในเอียบทของบุคคลคนเดียวจะป็ิยบดใดกาตามเป็นความเหมาะสมอยู่กับธาตุขันและอัธยาศัยไปตามเอียบทนั่นๆไม่ขัดไม่แยง้ง ไม่นักหน่วงไม่กดท่วงไม่บีบบังคับพาดขันเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างสะดวกสบายจิตใจก็เต็มไปด้วยความสม่ำเสมอระหว่างขันกับสิตที่จะปฏิบัติต่อกันตามสัญญาติยานที่รับผิดชอบกันไม่มีอะไรมาเหยียบย่ำทําลายมากระทบกระเทือน <c oughs> ให่เป็นความชอบทำนั่นเป็นความเหมาะสมกับปัาศัยอยู่ไปกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็มีความเหมาะสมอยู่อย่างนั้นตลอดไปแม้โรคภยัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นมีขึ้นเหมือนอย่างาทาตุขันหรือโรคทั่วไปก็ไม่ถือเป็นข้อหนักแน่นไม่ถือเป็นความหนัก ถือเป็นคติธรรมดาแห่งความจริงที่มีอยู่กับธาตุกับขันนี้มีธาตุขันเป็นพื้นฐานแห่งความจริงแล้วท่าเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้โดยป่วยเจ็บหัวตัวร้อนก็เป็นความจริงแต่ละยอย่างที่แสดงขึ้นมาในธาตุขันอันเป็นภาค พ, พื้นแห่งความจริงทั้งหลายนี้แน้จิตเองก็เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นผู้รฤฤัติผิดชอบและรู้ ความต้องการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายนี้อย่างพอเหมาะพอสมพอดีกับไม่มีอะไรยิ่งอะไรหย่อนเป็นความพอดีหากจะทนไม่ไหวจะแตกจะสลายทําลายไปก็เป็นไปด้วยความจริงไม่มีอะไรกระเพื่อนไม่มีอะไรจะเลยความจริงไปต่างอันต่างจริงกัน อันต่างตั้งอยู่หากว่าสลายก็ต่างอันต่างสลายไป ต, ตามความจริงของตนยิดผู้ติดตั้งนาต่างตาเลยทุกหัดดัดแปลงเพื่อเข้าสู่ความจริงโดยอาศัยธาตุขันเหล่า น, นี้เป็นต้นเหตุแห่งการพิจารณาใจก็เป็นความจริงรู้ตามสภาพความจริงไม่สื้้นความจริงอยู่สบายการไปการอยู่แห่งธาตุแห่งขันจึงไม่เป็นภาระ มันหนักหน่วงที่จะมากดท่วงจิตใจให้เกิดความกังวลวุ่นวายสายแสด้รืเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นแก่ใจแต่ประการใดเพราะต่า ง, ง, ง, งอันต่างจินต่างอันต่างพอเหมาะพอดีกันหรือไม่ทั้งความเป็นอยู่ทั้งการสลายไปมี่พูดตามหลักธรรมชาติของธาตุของขันธ์ของจิตใจตามอัติยสัยนิสัยของแต่ละรายได้จเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับรายของเราเอง เป็นเช่นนั้นแต่ทําไมจึงปฏิบัติตนให้เป็นดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากความเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องสอบแสร้งหาเริ่มเป็นมาตั้งแต่พันเดิมแลยอยู่พวว่อแม่ครูอาจารย์ท่านมาเนาภาพจากไปแต่ก่อนเขาไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันว่าจะมีหมือนมีคณะเพราะจิตใจไม่สนใจด้วยมีแต่ความ เป็นผู้ผู้เดียวเป็นความสะดวกสบายตามปริยาสายของตอนแต่ขั้นแล้วก็เพื่อนถูงก็มาเกาะเกี่ยวแต่เพราะอย่างยิ่งฝ่ายพระของเราซึ่งอยู่ในวงเดียวกันมาเกี่ยวข้องผูกพัในอันเป็นเหตุใ้ต้องรับติดทอบแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยเรื่อยมาแม้จะปดีกตัวออกไปอยู่ในสถานที่ใด ลบดีตีกออกเป็นแบบขโมยก็ได้ปฏิบัตมิมาแล้วก็ไม่พ้นที่หมู่เพื่อนจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่จนไดไ้เคยปฏิบัติเคยเป็นมาอย่างนั้นหลายหุนแล้วเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองพอถึงการเวลาของธาดุขันกับจิตใจที่จะถึงเวลาสุดท้ายของมันเท่านั้นเป็นความสะดวกสบายต้องหละอักขยาใสแต่แล้วก็เป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุอย่างการคิดนึกเทียบจิตท่านจิตเตาที่กำลังส่ะแสวนหาคุณงามความดีให้เป็นที่แน่ใจจากครูจากอาจารย์ก็จำต้องไลยแนะนาคำอสอนกันมาเรื่อยๆจากนั้นก็มากขึ้นมาโดยลำดับดังที่เห็นอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีจงเห็นความสาคัญ ข, ของต่อยในขนักที่อยู่กับครูกับอาจารย์ด้วยก ในรับการแนะนําสั่งสอนอยู่เสมอในตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นไยัยจึงได้สอนแสวงหาคุณงามความดีเพื่อกําจัดภัยหลงเงี้ยยาได้ลืมเมื่อนต้นเจตน้ําในเบื้องต้นของตนเมียที่ได้อยู่ก็หมู่กับข้าหน้ามายากลาบากก็ทนเอาเพราะเห็นว่าใจเป็นสิ่งสําคัญ และการแนะนำสั่งสอนอบรมขันก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันหากไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนแล้วนี้จะมีเจตนาอย่างแรงกล้าศรัทธาความเพียรอย่างเต็มจิตเต็มใจการกล้าไปก็เหมือนกับว่าเหตุผลไม่ลงรอยกันคือการปฏิบัติก็เป็นรุ่มๆุมดอนดอนแตเสียเพราะความไม่แน่ใจเป็นต้นเหตุผลที่จะพึงได้ ตามความมุ่งหมายก็กลายเป็นอื่นไปเสียเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์เป็นสักถีพยานแล้วจิตใจก็แน่วแน่การรับโอวาจาจากท่านก็เป็นความแน่นอนไม่สงสัยไม่ลูกลูกคำคำแม่ผู้แสดงเองก็พูดตามหลักคำริงที่เคยประพฤติปฏิบัติและได้รู้ได้เห็นมามากน้อยหนักเบาเพียงไหน ย, ยากละเอียดเพียงไหน นำมาแนะนําสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายที่กําลังดําเนินไปนับตั้งแต่เริ่มต้นแห่งสมาธิส่วนศีลเรารักษาด้วยกันนี่ยไม่จําเป็นต้องอธิบายให้มากมายไ ก, กลกว้างไปเพราะต่างคนต่างเข้าใจส่วนวิธีการที่จะทําจิตให้มีความสงบดังใบย่าท่านบอกไว้ว่าสมาธิคือความสงบใจหรือความแน่วแน่ดังนี้ สงบใจจะทําอย่างไรใจจริงจะสงบไดไม้มีวิธีการอย่างไรจรึงจะปรากฏเป็นองค์สมาธิที่แท้จริงขึ้นมาที่ใจสําหรับผู้ต้องการอยู่แล้วจึงต้องไนยอาศัยการได้ยินได้ฟังเน่ก็ได้อธิบายให้สั่งแล้ววิธีการดําเนินทางด้านสมาธิโดยไม่สงสัยาวิธีการที่อธิบายไปแล้วนั้นๆเป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามสะดิกนิสัยของผู้มาอบรมด้วย่ัน ไม่ปีกไม่แล้วไม่นอกเหนือไปจากที่สังสอนไว้แล้วเลย <c oughs> ทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันทุกขั้นทุกภูมิทุกแง่ทุกกระทงแห่ปัญญาได้นํามาอธิบายทั้งปัญญาขั้นยากขั้นกลางขั้ น, นละเอียดทั้งปัญญาเกี่ยวกับสิ่งภายนอกทั้งปัญญาเกี่ยวกับสิ่งภายในและสิ่งภายในโดยเฉพาะไปโดยลําดับลำดั ในแบบส ด, แดงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำที่เด็กปรากฏมากน้อยอย่างไรกำหมเคพื่งไม่เคยปิดบังลี้ลับด้วยเหตุ น, นี้จงทําความสนใจทําเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะพะยุงเราลุ้นหนุนเราให้รู้พ้นจากกองทุกคำว่ากองทุกนี้ไม่ว่าสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกอาถรพนี้ ต้องได้แบกได้หามด้วยกันทั้งนั้นมากกับน้อยมีต่างกันเล็กน้อยตามขั้นภูมิของพวกของชาติแต่ส่วนจิตใจนั้นต้องถูกร้อยรักด้วยสาเหตุคือกิเลสที่จะนำกองทุกมาให้เราได้แบกได้หามเพืไม่น่าสงสัยอันใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าจุดใดดอนใดทบใดในส า, า, ามโลกธาตุกาโมกรคจุภั รูปรโลกอรูปรโลกการมาพบรูปภพอรูปภพนี้เป็นที่อยู่แห่งสัตผู้ยังถูกร้อยลัดอยู่ด้วยกิเลสปัญหาอสระและเป็นผู้ได้แบกขามของทุกมากน้อยทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์ไปได้โดยสิน้นเชิงเพราะความสิน้นกิเลสและโดยสิน้นเชิงเลยโลกนี้จึงไม่เป็นโลกที่น่าสงสัย ที่จะต้องตะเกียบตะการกับมันตะเกียบตะการเท่าไหร่ก็ตะเกียกไปหมุนไปตามกรงล้อของกิเลสไม่ใช่หมุนไปตามกลงล้อแห่งธรรมเช่นธรรมะจักเราจึงไม่น่าสงสัยว่าพบได้จะมีความสุขความสบายเราเกิดมากับคกองทุกข์แท้ๆจำไมจึงสงสัยเรื่องทุกแล้วกิเลสโดยแท้จริงที่ผิด เลี้ยักดันให้เรามาเกิดในภกชาตินั้นๆไม่มีสิ่งใดเหนือกิเลสและไม่มีสิ่งใดที่จะมาทํางานแทนี่เลดให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาแบบ ก, กองทุกข์แบบความทรมานอยู่ดังที่เห็นทั้งท่านทั้งเราตลอดถึงสัตวทั้งหลายนี้เลยนอกจากกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ขับดันเป็นผู้มีอํานาจแดนโลกธาตุทั้งสามนี้เป็นที่ปกครองเป็นที่เรืองอํานาจของกิเลสประเภทต่างๆ ความโลภความโกรธความหลงราลาพักปัญหานี้เป็นเจ้าตัวการสําคัญที่เป็นผู้เรื่องอํานาจครอบคําหัวใจของตักโลกไว้จนกระทั่งมืดมิดปีตาไม่มียบแยบยับยั บ, ยบพอที่จะมองเห็นเช่นฟ้าแรบนี้เลยมองเห็นแดนแห่งความปนเปือ้อยังเป็นบุญญลาบหรือบุญอันประเสริฐของพวกเราที่ว่ากิจโฉมนุษสปฏิลาโผได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐเพราเห็นใด เพราะเราได้เกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาติดถัง ส, สัตตมัสสาวณได้ยินได้ฟังอัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฝังที่หัวใจของเราฝากเป็นฝับตายกับธรรมของท่านแล้วประพฤติตปฏิบตัติต่างนี่จึงเป็นบุญญาลนับว่าเป็นบุญญาลาบเหนือสับตวัวใดในโลกทั้งสามหนึ่งที่เราได้มาประสบพบเห็นสาสนธรรมอันเป็นความถูกต้องงงามเหมาะสมที่สุดที่จะรื้อ เราให้ไ้พ้นจากภพจากชาติด้วยการยึดถือด้วยการปฏิบัติรธรทมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าส่งมาบักไว้แล้วนี้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราภูมิใจภูมิใจอย่างไม่มีฉากหน้าฉากหลังฉากนั้นเป็นสุขฉากนี้เป็นทุกข์แฝงกันมาอย่างนั้นไม่มีทุกข์ก็ทุกข์้เห็นอยู่อย่าง ช, าชัดชับทุกข์เพื่อจะชนะเช่นทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียงอันนี้ จิตใจไม่ได้มาสนใจกับเรื่องความทุกข์เหล่านี้เลยถ้าผู้เห็นภัยแห่งความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะกิเลสตัณหาเป็นผู้ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาจากจิตใจนั่นแล้วจะไม่เห็นความทุกข์ความลาบากในการประกอบความภาพเพียงนี้เลยจะทักเกียรติกาย ไ, ไปจนได้คนเราเมื่อเห็นทุกเห็นภัยอย่างเต็มใจแล้วการทะเกียรตะกาย หนีภัยทั้งหลายนั้นไม่ถือเป็นของลำบากกําบนอลำใดเลยขอให้ปลดให้พ้นไปโดยแต่เดียวเท่านั้นเต็มที่ผึงใจสําหรับผู้ที่แหวกว่าตัวให้พ้นภัยไปนี่เรามาปฏิบัติเพื่อความแบวกว่าตัวจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยภยัยให้ได้ปลดพ้นไปจากภัยทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกําจัดนําโดยทางความเพียรของเราไม่ว่าจะเดินตรง นั่งสมาธิภาวนาคิดอ่านใจตรองในเงื่อนใดเงื่อนใดขอให้เป็นเงื่อนเรื่องอัดเรื่องทมอย่าให้เป็นเรื่องกิเลสปัญหาออกหน้าออกตาฉุดลากไปนู้นฉุดลากไปนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่เราเป็นนักบวชมุ่งหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติและตั้งหน้ากำจัดกิเลสทั้งหลายด้วยความเพียรแต่มันกลายเป็นความเพียรของกิเลสมาทำหน้าที่แทนไปเสียอย่างนั้นอย่าให้มีเอาให้จริงให้จรินักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะ วิเศษี่โสเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้ได้เข้าสัมผัสทางจิตใจเดี๋จะเริ่มมีความดูดดื่มเข้าไปโดยลําดับในขณะเดียวกันก็จะมีการตืดจางบ้างต่อจากสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยทั่วเคยผอมเพราะอำนาจแห่งธรรมนั้นมีคุณค่าและมีน้ําหนักมากกว่านะครับเป็นแม่เหล็กก็มีกําลังมากกว่าจะดึงดูดจิตใจให้สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับธรรมโดยลําดับลําดาสิ่งภายนอกที่เคยเป็นข่าศิกก็จะค่อยจืดจางไปเรื่อย นี่อำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นท่านจึงฉลองได้ว่ารถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปตันะรถแห่งธรรมขั้นนี้ชนะรถของโลกขันนั้นขันนั้นรถแห่งธรรมขั้นนั้นชนะครับโลกขันนั้นหรือชนะกิเลสขั้นนั้นกิเลสขันนั้นรถแห่งกิเลสขั้นใดบ้างรถแห่งธรรมมีเหนือกว่าไปโดยลำดับชนะไปได้โดยลำดับ ในขณะเดียวกันก็ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัธจัม์ในตัวไปพร้อมๆกันจนกระทั่งจิตใจได้หลุดลาออกไปจากมูด จ, จากพูดคือขี้โลกขี้โกรธขี้หลงนี้ไปได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านว่าแดนพงศพุทธแต่ว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเสมอแล้วแต่ท่านพูดถึง ท่านนั่นแล้วท่านไม่จําเป็นทรงแต่คุณภาพตามหลักความจริงด้วยความไมีสุขใจเท่านั้นเป็นที่พอแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แยกแยกออกไปพูดว่าอ น, นั้นยิ่เสียอันนี้ยิ่โสเป็นกิริยาอันหนึ่งที่สแสดงออกภาษาที้เท่านั้นนั้นเป็นพยายามทําจิตใจของเราให้ก้มกรีนกับธรรมซาติธรรมปัญญาธรรมยาได้รนุนละนี่แหละทางเดินที่ถูกต้องจริงจัง ทางที่จะหลุดพ้นจากภัยและทางต่อสู้กับภัยทั้งหลายอึศาตราวุตต่อสู้กับภัยทั้งหลายก็ไม่เหนือจากสติปัญญาของเรานี่ไปอย่าให้กิเลสบิดถุนเล่าออไปคิดไปปุงไปแต่งเรื่องนั่นเ่องนี้กระทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เรากําลังประกอบความเพียรของเราอยู่ด้วยการคิดการปรุงการแต่งทางด้านอัตถธรรมอย่าให้กิเลสเข้ามาสวมลอยแล้วปัดธรรมออกไปจากความคิดนั้นเสียเอาความคิดความปุงของกิเลสมา สวมรอยข้อแทงส่วนมากมักเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกจึงเกิดความอินหนาละอาใจ่อการประกอบความภาคเพียรก็ประกอบมานานพอสมควรหรือนานม า, มากแล้วความพยายามในการประกอบความภาคเพียรก็ได้พยายามเป็นเม็ดเป็นหน่วยทําไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจอาได้เห็นได้ชมรังครูบาอาจารย์ท่านสอนก็อย่างดีแต่นี้ทําไมไม่ปรากฏี่เราจะ คิดไปอย่างนั้นเสียมากโดยไม่คำหนึงถึงสาเหุที่มันไม่สงบไม่ได้รับผลที่พึงหวังนั้นเป็นมาอย่างไร<ม>ก็เป็นมาอย่างที่เราประกอบความเพียรแนะ้อกิเลสเป็นผู้สวมลอยไปทําหน้าที่แขนโดยไม่รู้สึกตัวนั่งแหละนั้นจึงไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเกิดขึ้นถ้าลงได้เป็นไปตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอื่นชัวเขาจะทำมตั่ไว้ชอบแล้วขอให้เกาะให้ติดเธอะอืไม่เป็นไม่ไปไหนนิยานี่ก็ทําจะปราบคามกิเลส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 ผู้ใดเห็นธรรมเขาต้อเห็นเราตถาคนเห็นตรงนั้นเองเริ่มสัมผัสสัมพันธ์ไปตั้งแต่สมาธิปัญญาเป็นตามขั้นตามผุ่มประเดิมดับจนกระทั่งถือวิมุตติพ้นแล้วนั่นแหละคือองศาสราแท้เป็นดังนั้นอันนี้ชั้นในอันนั้นชั้นนั่งทำคืออะไรก็เห็นอยู่รู้อยู่สั้นๆทำกับใจเป็นอันเดียวกันเห็นอย่างชับจะไปถามไข่ที่ไหนท่านปฏิพามากี่ปีกี่เดือนนั่นเป็นสมมุติอันหนึ่งเท่านั้น หนักธรรมชาติที่แท้จริงนี้ได้ประจักษ์แล้วกับจิตใจที่เป็นประโดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงคือคำโดยสุดพุดทธโดยแท้แล้วไม่สงสัยนี่แดนหลุดพ้นหลุดที่ตรงนี้ยาไปฆ่าสถานที่การเล่าเวลาที่ไหน่อยกิเลสมันหลอกไปหลอกไปเราเรื่องของกิเลสนี้ละเอียดมากที่เดียวเพราะฉะนั้นขั้นเริ่มต้นส่วนมากก็เป็นกิเลสยอยำ เสติปัญญาของเราก็ไม่มีมันก็ไม่ทันกันจึงต้องลําบากในขั้นเดิมเลยแต่เวลาเราเอาจริงเอาจังแล้วมันก็ปรากโขดจนได้เพราะในขณะที่เอาจริงเอาจังจิต จ, จิตใจมันจดจ่อสติจดจ่ออย่างน้อยสติจดจ่อต่อจากนั้นปัญญาพิจาราที่ควรจะได้นัไไ่นก็พอเข้าใจไปได้โดยลำบากจนถึงขัง้นมีทุนภายในจิตใจสมาธิเป็นต้นทุน และเป็นต้นทุนอย่างละเอียดล่อเข้าไปโดยบังดังนั้นผิด ป, ปัญญาย่านอนใจแต่คําที่ว่าจางนั้นผิด ป, ปัญญานั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นโดยถ่ายเดียวเมื่อถึงการที่จะใช้ปัญญาพิพจิตรณาในระหว่างที่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมแล้วกับขุดค้นลงหน้าพิจารณาได้ไม่ได้แน่นอนตายตัวโดยถ่ายเดียวเพราะการทําความภาคเทียนนี้ไม่ได้มีโปรแกร ม, มไม่เป็นแผนที่ไปอย่างโลโลหากเป็นแผนที่โดยหลักธรรมชาติ เป็นโปรแกรมโดยหลักธรรมชาติที่เห็นว่าเหมาะสมในการนั่นที่จะควรใช้สติหรือควรใช้ตัญญาหรือควรใช้เป็นเป็นสมาธิหรือควรใช้เป็นปัญญามันอากมีการที่แิลงแปลงอยู่กับนักปฏิบัตินั่นแหละว่าอะไรเหมาะสมทาอย่างนั้นที่พูดถึงสมาธิถึงปัญญานี้พูดไปตามพื้นฐานส่วนมากเป็นแางนั้น แต่แม้เช่นนั้นในการที่จะนำปัญญามาใช้ระหว่างในระหว่างที่เห็นว่าจาเป็นยังต้องแทรกกันเข้าเสมอผู้ปฏิบัติทำให้จริงนี่ก็ได้พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเพื่อนฝูงการแนะนำจังซ้อนเร่ามาบวชเป็นทานิมดเรื่องความเพาะเกี่ยวที่จะให้เกิดความยุ่งเห ย, งยิงวุ่นวายให้เกิดพิษเกิดภยดัยใดๆกับผู้หนึ่งผู้ใดพระ สมณะเพศเป็นเพศที่ปล่อยวางเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องความทุกข์ความร้อนเกี่ยวโยงกันกับใครต่อใครไม่เป็นเพศที่บริสุทธิ์ปุ่นหนึ่งอ่ะเป็นเพศที่ไม่ก่อกรรมขกาเวรเป็นเพศที่ปล่อยวางเป็นเพศที่เป็นอัดเป็นคำเป็นเพศที่มีเนกาเป็นเพศที่ให้อภัยเพราะฉะนั้นสมณะหร่อนักบวชนี้ไปที่ไหนจึงไม่ค่อยเป็นไผ่ในสายตาของโลกพอมองเห็นใจก็ลงแล้ ผิดกับเพศอือ่นๆสิ่งภายนอกเราก็ได้ตัดมาจากนั้นไม่เป็นกังวลกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ระแวงระวังอะไรผู้ใดที่จะมาทําความเดือดร้อนเสียหายและมากระทบกระเทือนตลอดขึ้นมัดทาลายร่างกายของเรามาฆ่ามาฟันมาอะไรอย่างนั้นไม่มสิ่งที่เป็นภครต่อเราก็คือกิเลสเท่านั้นเวลาเนี่ย จึงต้องมาฟาดตันกันที่ตรงนี้ข้างนอกไม่เป็นภัยแต่ข้างในเป็นข้างในเป็นภยัยถือกิเลสเป็นภัยตอลอดความรักเกิดขึ้นก็ทำให้ติดความชังเกิดขึ้นก็ทำให้ติดติดใจได้ทั้งนั้นหลงไปได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่ากลอนละเอียดแหลมคมของกิเลสไม่ว่าอันใดที่แสดงขึ้นมาขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้ว ย่อมทำให้ติดให้ปวพันให้หลงไปได้โด ย, ยไม่ต้องสงสัยนี่แหละละเอียดขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ทำแล้วจะดูกลมยายของกิเลสจะดูรสดูชาติดูความละเอียดแหลมคมของกิเลสไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเหมือนกับหลับตาดูวัตถุต่างๆจนกระทั่งจึงศีรษะไปโดนตึ้งข้ศีรษะแตก ก็จะรู้แต่ยังสีสาแตกแต่สิ่งที่โดนนั่นคืออะไรมันก็ไม่เห็นอีกเพราะตามันบอดขนาดนี้จอมีปัญญามันบอดโดนกิเลสตัวไหนเอาให้จนน้องห่มร้องไห้นอนไม่เป็นหลักเนตื่นเป็นบ้าเป็นบอไปเพลิดนพ้านนอนก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุมาเพราะอะไรติดพันกันไปพอใจในความคิดความตรุงซึ่งเป็นปืนเป็นปไจนั้นโดนไม่ไม่มีการเข็ดการหลับถ้าคนเราถ้าเข็ดหลับได้ก็ ก็เท่ากับว่าเห็นโทษของี่เลือสจะไม่ทําให้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแต่นี่มันเข็ดไม่ได้เสี ย, ยใจก็เคยเสียมาตรงสุเท่าไหร่ตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบันเคยเบื่อเคยหนยความเสียใจเมื่อไห่มันสร้างกองทุกข์ให้ผู้ที่เสียอกเสี ย, ยใจ น, ในั้นเนียครับความทุกข์ล้อนขนาดไหนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับมีอยู่มากมายเป็นแผ่ดินมีใครบ้างที่มีความเดหลยอดกับโทษของมันที่ทําให้เกิดความเียบแส้เสี ย, ย อ, อกเสี ย, ยใจจนถึงกับ น้ำตาร่วงออกมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับบางนายถึงเป็นบ้าไปเลยก็อย่งแล้วใครเห็นโวกทงมันถ้าเห็นโทษั้มันเจะยอมตัวทั้งคนนี้ที่มีคุณค่ามากนี้ไปเป็นบ้ากับกิเลสซึ่งหาคุณค่าธนาคามาได้อย่างไรงนี่นแหละมาแหลมคมความรักเกิดขึ้นมันก็ติดติดได้ทั้งนั้นเพื่อที่ว่ากลมายาของจิตถ้าแสดงออกมาแล้วต้องติดต้องติดเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมที่เหนือกิเลสนี้เข้าไปจับกัน แต่เพราะอย่างยิ่งสติปัญญาให้ฝึกซะก่อนท่านถึงต้องถือสมาธิเป็นฐานเดินเป็นสนามรบในเบื้องต้งนมีความสมงบเย็นใจช่ำชองสำนิชมนามนี้นนนนแล้วพิจารณาแยกแยะทําลด้านปัญญา <c oughs> มีคืออุบายที่จะเปิดดูหน้าตาของกิเลสแลเปิดดูโทษของกิเลสที่มันสลับซับซ้อนมากแล้วเปิดดูหน้าดูตาของมัน ที่ท่านว่ากิเลสเป็นไัเป็นไเ ป, นไ เ, ปนไเป็นอย่างไรเอาอะไรมาท ด, ม า, ทดมาสอบมาแยกมาแยะวันย่างทาตลอดบรรตายไม่มีทางเจอนอกจากแต่กิเลสแทงเอาแทงเอาเหยียบย่าทําลายเออแหลกแต่กระจายไปยิ่งกว่าผุยผงประชดเท่านั้นนอกจากทำไม่มีทางแาก้เพราะฉะนั้นจึงต้องเห็นหนักแน่นในธรรมและกัรพระพุทธเจ้าพระอัจฉรยะได้อย่างไรโลกทั้งโลกไม่มีใครที่จะแหวกออกมาจากกรงขังของกิเลส ออกจากความ ม, มืดมิดปิดตาของกิเลสได้มีพระพุทธเจ้า พ, พราะองค์เดียวเท่านั้นแหวกวหวโทรขึ้นมาได้้ น, นีต้องประกาศศาสนาธรรมให้กังวลไปทั่วโลกกถาสาวกทั้งหลายก็ได้ประพฤติธปฏิบัติพอเห็นลู่เห็นทางเห็แล้วก็ได้ดาเนินตามแล้วแหวกบ้ากรอดมมาได้ออกมาได้นอกจากนั้นมีไข่เป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมในการแนะนำสั่สอนกันให้พ้นจากโลกกันตานรกนี้ไปได้ คำว่ า, าโลกกันตนานรกนี่ก็คือแบบมืดแปลกทิศแปลกด้านทั้งวันทั้งคืนทุกเรียบทตั้งแต่วันเกิดมาไม่มีความสว่างจ า, จากพิเดศเลยมีแต่ความหนาความแน่นความมืดนิดสิตตาไปทั้งวันทั้งคืนพิเด็ศทําทหน้าที่บนเขียงสัาบยันลงไปละเอียดแตกกระจายพบนี้พบนั่นจนไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อใดการใดถึงจะหลุดพ้นตปได้ถ้าไม่มีทำเป็นผู้ชุดล่าขึ้นมา นี่เล่าเกิดในทํากลางของพุทธศาสนาจึงเป็นบุญยราษของพวกเราและเป็นมนุษย์เป็นผู้ปฏิบัติจากนักความเป็นนักบวชนี้ด้วยก็ยิ่งเป็นบุญาราันใดต่โตยาให้ผ่านพ้นไปได้ในล่ำเวลามีเท่าไหร่ให้ทุ่มเข้ามาเพื่ อ, อกาจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนี้อ้าวความรักมันมีรสชาติอ้าวความไมรรักเข้าไปให้ได้ปรากฏความไมรรัก ความชังว่ามันมีรสชาติมันเป็นของดิีของดีความรักก็เป็นของดีของดีความโลภก็เป็นของดิีของดีความโกรธก็เป็นของของดิีของดีความหลงก็เป็นของดิีของดีแล้วก็ดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้แนะไว้แล้งโดยถูกต้องนี้ให้เข้าถึงขั้นไม่ไม่รักเป็นยังไงอืมคิดแต่ก่อนเคยรักเป็นอย่างนั้นผลของมันเป็นอย่างนั้นทีนี้จิตไม่รักนี่ผลเป็นยังไงอืมจิตไม่ชัง เป็นยังไงแต่ก่อนจิตเวลามันเกิดความชังขึ้นมานี่มันเป็นอย่างไรผลของมันบัดนี้จิตไม่ชังเป็นยังไงอืแต่ก่อนจิตมันเคยโลภบัดนี้ไม่โลภเป็นยังไงมันเคยหลงมันไม่หลงเป็นยังไงนี่เห็นกันได้ชัดเหนือกับกันเหนือกันเหนือกันโดยลาดับอืถ้าไม่มีสิ่งเทียบแล้วเราจะไม่เห็นโทษและคุณค่าของกันและกันโทษก็คือโทษของกิเลสเราไม่เห็น ทำเมื่อไม่มีในใจหัวใจของเราเพราเป็นสิ่งที่หนูที่เละเราก็ยังไม่เห็นคุณค่าของทำต่อเมื่อได้เห็นชัดเจนภายในจิตใจทั้งโทษที่เกิดขึ้นจากกิเลสผิดขึ้นมาทุกประเภทด้วยความรุ่มหยงของเราเองเราก็เห็นได้ชัดทั้ทงทำที่เราได้พุทปฏิบัติจนสามารถกาจัดกิเลสประเภ ท, ทต่างๆไปได้ตามลําดัาบเวลานจนกระทั่งได้ถึงขั้นสุดยอดปรากิเลสล่าภายในจิตใจผลเป็นอย่างไรนั่นแหละที่ว่าผลเลิศ ไม่มีอะไรเสมอเพราะที่เรียนาบลงไปแล้วคู่แข่งไม่มีเจ้าอะไรมาเสมอก็มีแต่กิเลสเท่า น, นั้นเป็นคู่ต่อสู้ของธรรมเมื่อนำธรรมมาคิดปฏิบัติคำจัดมันให้ราบลงปภายในใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะถ้าสามารถพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดและรู้ได้อย่างเต็มใจว่าในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนแห่งส ม, มุดทั้งมวล น, นี้ ไม่มีอะไรที่เข้ามาดุแย่ก่อควรกิดใจให้กับเพื่อนขุนมัวได้เลยนอกจากกิเลสเท่านั้นนะพอกิเลสเลยว่าหมดแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วตอนี้ต่อไปนี่แต่ความบริสุทธิ์ริ ม, มุดล้วนล้วนเต็มหัวใจเห็นว่าหมดภัยหมดเปลี่ยความรักก็มีขึ้นอีกไม่ได้เล้วหมดซากไปแล้วเดี๋ยวได้หลังจากมันตายสิ้นซากด้วยความโกรความหนุน สิ้น้ากไปหมดอวิชชาปัญญาสร้างข้ารากลายเป็นตเววะอะไรนวอวิชชาและตเวระเส้สันดาคาริโดาสร้างข้าล า, า, า, ลายดโดยัดับดับดับดั บ, ด บ, ดบเรียบไปหมดเหลือแต่ความรู้สึกทุตโธนี่แหละได้ถึงแล้วซึ่งตุกที่ท้องตอตานเจตนามุ่งหมายในเบื้องต้นก็ล่มลุกคุกขานไป เพราะไม่เคยยังไม่ได้ชำนาญและยังไม่เคยเพราะทางไม่เคยเดยนพอเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์วิธีการทำความภาคีอย่างวิธีการต่อสู้กับกิเลสเครื่องมือมีเท่าไรท่านหยิบยื่นให้ท่านหยิบยื่นให้ยิ้มให้นำไปประยุกต์กับกิเลสต่อสู้กับกิเลสโดยลำดับลำดาบต่อไปเจ้าของก็ผิดขึ้นได้เครื่องมือ ในแรกก็หยิบอาศัยครูวาจาร์ท่านหยิบยื่นให้แต่เป็นสติปัญญาหรือเป็นธรรมทั้งดุนก็าตามอาศัยนี้ไปก่อนต่อจากนั้นก็เราก็แจงออกได้เองผิดขึ้นมาได้เองสติปัญญานี่ยเวลาผิดขึ้นมาเป็นตัวแล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะโง่ตลอดไปกระดิกออกเนี่ยในมุมใดมีแต่เรื่องของสติปัญญาล้วนๆ ร, ร, รอบหัวใจเนยเมื่อถึงขั้นนี้แล้วกิเลสตัวใดจะมากล้าหาย ค้าทายบนเวทีให้เห็นหรอไม่เห็นมีแต่หลบแต่ซ่อมอันเป็นอุบายของกิเลสซึ่งเป็นตัวเป็นนิสัยแหลมคมอยู่แล้วเท่านั้นและหลบจากซ่อนยิ่ปัญสติปัญญาขุดค้นลงไปจนแหลกแตกกระจายไปทุกแง่ทุกมุมที่แรกก็ขุดค้นไปตามเรื่องของรูปเสียงสิ่งนรกเครื่องสัมผัสสกุลอากาศนับตั้งแต่เกสาลงมาทั้าขาตัณฑ์ตาตาจัจโจรไปทุกอวัยวะทั้งภายนอกภายในได้สัดได้ส่วนเทียบเียงกันแล้วมีความจริงเสมอกัน พูดถึงอสุภะอุพังก็มีความจริงเสมอกันพูดถึงอนิจจังทุกของอังตาก็มีความจริงเสมอกัรเมื่อเข้าใจชัดเจนในส่วนหยาบ ก, ก็แสดงว่ากิเลสส่วนหยาบนี่ได้ล่มละลายไปแล้ว <S <S ได้หมอบราบแล้วแพ้แล้วจากสติด้วยสติปัญญาขั้นนี้นี่นก็พิจารณาเข้าไปขั้นละเอียดท่านเรียกว่านามมธรรมมันทําเป็นทั้งมันไปเองเหมือนกับไปได้ชื้อไมมนี้หมดแล้วไหมนั้นต่อไหมนั้นต่อเตืนกระทำไม่มีอะไรไหมนั่นน่ะ ไฟทั้งจะดับตปได้ท <Ừ. S 1> สติปัญญาก็หมุนตัวเป็นเตียวไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งการพิพจารณาทางสติปัญญาแต่เริ่มแรก น, น, นี้ต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาซะก่อนเพราะยังไม่เห็นผลของปัญญาพอเมื่อได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาก็ได้เดิลำดับธรรดาแล้วจะค่อยหมุนตัวไปเรื่อยๆก็ยิ่งหมุนไปเรื่อยๆแล้วเห็นกิเลสแต ก, กกระจาย้ายและเนรนาศปรจับอยู่กับทัติปัญญานั่นแหละ สติปัญญายิ่งจะหมุนเข้าไปขันไม่ว่าขันใดเมตนาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยเมันก็เพียงเพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นตามความจริงข้างตนถ้าเราไม่ไปหลงไป ย, ยึดเสียอันนั้นจะเป็นอะไรไปอืเขาไม่มีความรู้สึกในตัวของเขาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยเฉยก็ดีเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ว่าเขาเป็นสุขเขาไม่ว่าเขาเป็นเฉยเฉยเม้แต่จิตตัวลูกหลงนี้องต่างหากไป สำคัญมันหมายว่านั่นเป็นทุกนี้เป็นทุกนั่นเป็นสุขนี้เป็นสุกนั่นเป็นเรานี้เป็นของเรานั่นเป็นเฉยเยไม่เฉยเตัวนี้ไปสำคัญแล้วตัวนี้ก็ไปหลงไปยึดเอาเขาเลยกลายว่าเวทนาเป็นตนเป็นของเราไปเสียเมื่อทุกเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเราเป็นทุกอืมบีบบังคับหัวใจเข้าไปอีกก็ไม่รู้จุดตัวเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเห็นตามความจริงแล้วเวทนาทั้งหลายก็จริงอยู่ตามสภาพของมันจะเกิดขึ้นภายในกายก็ตามเป็นความจริงตามสภาพของมันแต่เวทนาทางใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก พิจารณาเวทนาทางทางกายกับทางใจนั้นไม่เหมือนกันหากเป็นอุบายวิธีของผู้ที่มีภูมิสติปัญญาขั้นนั้นแล้วจะต้องพิจารณาตัวเองเข้าใจในตัวเองประเดิมนะไม่เหมือนขั้นเวทนาทางกายแพูดถึงเรื่องสังขารฟังที่สังขารมันคิดมันปรุงยิญญ่ยเยี่ยงอะไรพระมันปรุงก็คืออวิชชาปฏิญาเนะี่ยจึงเรียเป็นสังขาราขึ้นมา วิชามันหนุนจึงให้คิดออกนอกคู่นอกทางคิดไปในแง่ต่างๆคิดไม่อิ่มไม่พอไม่มีความเบื่อความหนาดก็คือคิดเพราะฤทธิ์ของอวิชชาถ้าเพราะอำนาจของธรรมแล้วพอตัวจะคิดอะไรคิดตามเหตุตามผลเมื่อจบเหตุจบผลแล้วพอพอ พ, อพอไม่มีลูกหลามเหมือนวิชาพาคิดต่างกันหนังนหงางนี้สังขารนี่เวลาวิชานําไปใชใ้ใช้ไม่หยุดอืมไม่มีวันหยุดมันถอย ใช้วันยังขำคืนยังรุ่งไม่ว่าอียะบทใดพาคิดพาปุงพาแต่งพาสำคัญมั่นหมายไปทางสัญญาอารมณ์ก็ไม่มีเวลาหยุดเหมือนไฟได้ชื้อมูนไปอย่างนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันต่อเมื่อสติปัญญาทันไปแล้วอะไรคิดขึ้นตรุงขึ้นมันก็นรู้เทา่าเท่าทันเท่าทันเสียคิดดีก็ดับไปคิดชั่วก็ดับไปเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วคิดดีมันก็ดับคิดชั่วมันก็ดับคิดอะไรขึ้นมามันก็ดับสัญญาสําคัญมั่นหมายไปไหน อืบ้าภาพหลอกตัวเองไปทําไมสําคัญมันหมายว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือภาพหลอกตัวเองนั่นแเลงคิตก็รู้เสีย ว, ว่ามันออกไปจากนี้ไปว่าภาพหลอกตัวเองอันนั้นมันก็ต่อไปไม่ได้มันก็ดับเมื่อสติปาาัญญาทำมันก็ดับเป็นปต่เพียงอาการหนึ่งอหนึง่งซึ่งปรากฏขึ้นตามความถึงตนได้ดับไปดับไปเพราะอวิชามันอ่อนตัวลงไปมันไม่สามารถที่จะผลักดันให้คิดได้ทุ่งแง่ทุ่หมู่เหมือนตั้งแต่ก่อนโดยที่ปัญญาไม่ทัน แต่เมื่อสติปัญญาทันแล้วอวิชามันก็อ่อนตัวเข้าไปแล้วถอยตัวเข้าไปชิงอันนี้ก็เป็นเพียงทางเดินแต่อวิชชาเดินไม่ได้แล้วถูกสติปัญญาหากักห้ามต้านทางนึกฟาดควานหันแหลกเข้าไปเดินแบบเขาวิ่งเข้า ส, า, า, า, าสู่จุดธรรมะอวิชชาปจียาสร้างข่าวล่ามันจะอยู่ที่ไหนอวิชชาถ้ามาอยู่ฝังอยู่ที่หัวใจนั่นแหละวัตจักรอยู่ที่นั่นวัตอยู่ที่วัตถิกิจกัวเองอืมมันเรียกว่าวัตจกักรวัตถิกิจอยู่ที่นั่น พาดฟันลงไปเข้าไปน้นมันก็อันนี้จังทุกขังาตาตามท่านของหมันเหมือนกันแม่นอกเหนือนไปอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าไม่ใช่อสุภาอสุพางเหมือนอย่างส่วนร่างกายเท่า น, นั้นเป็นแต่รับเป็นจังทุกครั้งาตาไปเลยละเอียดละออกแล้วปัญญาจะหมุนตัวไปเองท่านก็เหตุกับการไปโดยลําดับลำดับเพราะปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ท่านเพียงไกลามากทีเดียวชิ้เล็ไม่มีตัวใดที่จะมาหาต่อก่อน นอกจากประหลบซ่อนซ่อนไปอยูไ่ไหนต้องได้ใช้อุบายวิธีปัญญาอย่างแยบยลปัญญาคันแยบยลก็มีอีกรี้เล็ดแยบยลปัญญาก็แยบยลขี่เด็ดละเอียดแค่ไหนปัญญาก็อียดตามไปสุดท้ายปัญญาก็ค้นปัญญาไปไม่ได้เอาแหลกแตกกระจายไปภายในจิตเมื่อวิชาปัญญาสร้างขาระซึ่งมาปลายเป็นตัวจิตซะเองได้แตกกระจายไปหมดแล้วจิตแท้จริงคืออะไรถ้าสงสัยทําไม ถามใครที่นี่เป็นความรู้สึก ด, ด้วนๆเห็นประจักษ์แต่ก่อนเป็นอะไรอยู่ไม่รู้เมือ่อ ไ, ได้ชัดเจนแล้วก็ขาดกระเด็นออกจากกันนั่นแหละการรื้อพบรื้อชาติรื้อวัตตะสงสารรื้อกองทุกทั้งมวลที่เคยแบกเคยหามมาเป็นประจําแต่ตั้งพบชาติเทือ่อจนเป็นอาติตายไม่สามารถที่จะคันนึงได้มายุติกันลงในขณะที่อวิชชา ซึ่งเป็นตัวพบตัวชาติเป็นมัตตจักรมัตตจิตจได้แต่กระจายไปจักษ์จิตนั่นแหลเหลือแต่ความบือถุอรุ่นล้วนนั่นที่นี่ถามอะไรถามมาทำไมนิพพานอืยากมาเป็นหัวใจก็อยากถือจะหาอยากทันทีอยากไปปณิพานอือยากพ้นทุกข์ก็หายอยากปณิพานก็หายอยากอะไรก็หายถ้าติดปัญญาที่เป็นธรรมจกักรหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ก็าหายนะไม่หาจะามารบอะไรมาฟันอะไร อลงตามสภาพความจริงเพราะสติก็เป็นสมมุติปัญญาก็เป็นสมมติเป็นแต่เพียงว่าสมมติขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนขัน้นภาคคามแผดแบบที่เด็ดซึ่งเป็นประเภทหนึง่งอันเป็นสมมุติด้วยกันท่านสัจะรําทั้งสี่อยู่ที่ไหนที่กล่าวมาทั้งหมดกล่าวแต่เรื่องสัจธรรมทั้งนั้นแล้วอยู่ที่ไหนไม่อยู่กับกากับแสของเราเขอยู่ที่ไหนอทืทุกท่านว่าให้กําหนดรู้นั่งเป็นอาการอันไหนทุกเกิดขึ้นคนไม่ตายทําไมจะไม่รู้แต่มรู้ธรรมดาก็มี รู้เพื่อตั้งสติปัญญาพิจนาหาสาเหตุมันก็มีที่ท่านว่าให้เทุกข์เพิ่งกำหนดรู้นี่คือให้มีสติพิจารณานั่นของผู้ประกอบความเพียรผู้ประกอบความเพียรท่านก็ไม่สอนว่าทุกข์ให้เพงกําหนดรู้รู้อะไรนั้นก็รู้อยู่อย่อยางแม 3, ่จัตสรรเก็รู้เรื่องทุกข์ทำไมจะไม่รู้แต่มันไม่รู้สาเหตุว่าทุกข์ที่เกิดมาจากไหนขณะผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านเจ้าท่านจึงสอนวาเพิ่งกําหนดรู้นั่นกำหนดด้วยอะไรก็ต้องพิจานาด้วยสติปัญญา แต่มันเกิดมาจากอะไรทุกมีนั่ทุกเป็นเพียงว่าทราบแล้วก็หมุนตัวเข้าประหารสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรสะมูทายพึงละสะมูทายต้องละนัะ่นเอาให้ถนัดลงไปพีคือการปัญหาเ พ, พราะว่าปัญหาวิพัฒาปัญหามันอยู่ที่ไหนนี่เราจะทำสองอย่างนี้ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตการปัญหาเพราะว่าปัญหาวิพัฒนาปัญหาอยู่ที่จิตทุกนั้นอยู่ทั้งกายทั้งจิตด้วย ปัญญาอย่างนงเปล่าที่จะวางไ ป, งไปถ้าจะทําทั้งสีนี้ทํางานเกี่ยวโยงกันเราจะไปทำแย่อะไรอย่หนึ่งไม่ได้หลักปริยัติท่านส อ, อนไว้อย่างนั้นก็เพื่อไม่เขียนซ้ํารอยกันมันอ่านไม่ออกนั่นเองทุกเขียนไม่จะบทหนึ่งชุมทางเขียนไม่ใชบทหนึ่งนิโรธเขียนไม่ใชบทหนึ่งแถวหนึ่งมาร์กเขียนไม่ใชบทหนึ่ ง, ว ง, งความจริงทั้งสี่อย่างนี้มันอยู่ด้วยกันเน้น อ, อย่างเราพูดว่านี่แค่งนี่ขานี่อวัยวะส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนั้นความจริงแล้วก็คือตัวของเราทั้งหมดนั่นแหละ เวลาแยากออกก็เป็นอย่างนั้นอันนี้จาจะทําทั้งสีก็เหมือนกันทั้งรักหลักปฏิบัติแล้วทํางานเกี่ยวโยงกันหมดพอกําหนดรู้ทุกนั่นเป็นเรื่องเริ่มสติปัญญาขึ้นมาแล้วแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนทุกเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นค้นแเป็นปัญญาแล้วนะอืมดูการมาตนะพุทธนันทิพวาตัณหาชเหมูไถ่ความคิดคำปรุงปรุงเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นหลังนั้นพอเข้าใจแล้วทุกก็ดับไปโดยลำดับลําดั บ, ด บ, ด บ, ด บ, ดบ ข้อปัญญามีอำนาจไปโดยลาดับชั้นละไปได้โดยลาดับทุกก็ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีกําลังเต็มที่แล้วก็ถอนทรวดหมดนี่โรดนีโรดคือความดับทุกปันดับสนิทเพราะกิเลสดับสนิททุกจะมาดับสนิทได้อย่างไงภายในหัวใจนอกจากทุกพาไปเป็นตะขันตรงนั้นก็มีไปตามสภาพของมันเช่นโลกทั่วไปเช่นขันทั่วไปอันนี้ไม่พิแปลกอะไรเป็นแต่เพียงว่าจิตนี้ไม่ยึดไม่ถือไม่มาเสวยความทุกข์ภายในร่างกายตรงนั้น มรรคกับนิโรธยังไม่ปรากฏหรือยังมีก็ไม่มากเอาผิดขึ้นมาบำรุงขึ้นมามรรคคือสติปัญญาสภาวะความเปลี่ยนให้เต็มเมตตาเนือ้อกินวันหนึ่งกินเพื่ออะไรเรากินเพื่อทําไม่ได้กินเพื่อหลับเพื่อนอนไม่ได้กินเพื่อสะสมกิเลสกินเพื่อฆ่าทกิเลสนี่วิยาณบททั้งปวงที่เรากล้าไปกล้ามาทั้งหลับทั้งตื่นเบ้นตนัดโดยเฉพาะเท่านั้นนอกนั้นเป็นอาการของเราหรือเป็นหน้าที่ของเราเป็นงานของเราที่จะประกอบ ความภาคเกียนเพื่อฆ่ากิเลสโดยลาดับลำดาบทาไมกิเลสมันจะไม่หมดไปได้เมื่อมีการต่อสู้กันภาพกันหันหลักันอยู่ตลอดเวลามันจะหาบสะหามกันปู่ย่าตายานมาจากที่ไหนมันก็มียอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเมื่ออบรมสติปัญญาให้เพียงพอแล้วกิเลสมันจะยกพาทั้งโคตรทั้งแท้ที่ไหนก็ช่างเถอะไม่ไม่สงสยัยว่ามันจะให้บรรลัยไปจากจิตใจของเราเพราะอำนาจของสติปัญญาที่พอตัวแลวนี้นี่ให้กําหนดลงที่นี้น้านปฏิบัต อย่าเป็นหมายเวลาเวลาสถ า, สถานที่นู่นสถามที่นี่ว่าเป็นที่อยู่ของทุกขของเชิงกาของมรรคผลนิพพานนอกจากหัวใจที่ถูกปกคุ ม, มงหอ่อ้วยกิเลสเท่าไหร่นี้เท่า น, นั้นเมื่อกิเลสเท่าไหร่ได้แตกกระจายไปแล้วด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นได้ไม่ต้องถามหาความเหมาะสมความพอดีอความพอตัวความอิ่มพอพราทุกอย่างอยู่ในนั้นเหมาะทำมีความพอกิเลสไม่เคยพอได้เท่าไหร่ ตาลีตาลานแทบล้มแทบตายจนกระทั่งตาจะก็ไม่เคยเบาบางเลยความอยากมันไม่พอความโลภมันไม่พอแต่ธรรมนี่เมื่อถึงขั้นพอพอไม่ต้องการรอะไรทั้งนั้นแม้ธรรมก็ไม่ต้องการอีกอย่าว่าแต่ต้องการสิงนั้นสิงนี้เลยธรรมก็ไม่ต้องการอีกเหตุ น, นิพพานธรรมต้องการอีกไหมไม่เอาไม่ต้องการพอแล้วนิพพานธรรมคืออะไรรู้แล้วนั่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมคืออะไรรู้แล้วรู้แล้ว รู้ไปหมดพอนั ator. ไม่ถึงขั้นพอเมื่อพอนั้นสบายเท่นั้นมนุษย์เราใจหัวใจเราถ้ายังไม่พอยังไม่สบ า, ายไอถึงขั้นพอพอแล้วสบายไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมอีกแล้วดีมาก็สมมูิเสียชั่วมากก็สมมูิเสียชุกมากก็สมมุติทุกมาก็สมมุ ต, มมมติเป็นเรื่องของสมมูิสมมูลไปเสียทราบรับทราบแล้วทาการเ ร, รื่อง่าตุดองขันแต่จิตไม่ผิดตัวขึ้นมาให้เป็นสุขอย่างนั้นให้เป็นทุกข์อย่างนี้อีกต่อไป เป็นสุกใ น, นหลักธรรมชาติที่พอตัวอยู่แล้วท่านแม็กเช่นอย่างประดังสุขัแข็งประดังสัขนั่นคือสุขใ น, นหลักธรรมชาติที่พอตัวแต่ที่แล้วอขอให้ทุกทุกท่านนาเบลไปปฏิบัติให้เร่งความภาคความเพียรอย่ามาอยู่ด้วยความนอน อ, อกนอนใจวันนั้นวันนี้ว่าจะเป็นมากเป็นผลเป็นนิทานยาเข้าใจมื่อแจ้งนี้จะเป็นมากเป็นนิพานเพราะเมื่อแจ้งนี้ไม่แต่เป็นตัวที่เลือมาบีบบังคับหัวใจเราไม่กีเล่เท่านั้นบีบบังคับหัวใจเราแบบนี้จงฟาดฟันหันแบบรงไปที่นี่จะไปคำนึงกับเมื่อกับแจี้ง กับความสว่างอะไรอะไรวันนั้นปีนี้เดือนนั้นสถานที่นู่นที่นี่เหล่านั้นไม่ใช่กิเลสตัวที่อยู่ไปแค่ปังไปที่ใจจมไปที่ใจตาเสียไปที่หัวใจได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ที่ใจจงนำศาสตราวุธคือความเท่าเทียมสติปัญญาสร้างฟันลงไปที่นี่ให้มันหมดที่นี่เส้นสรางกันที่นี่แล้วจะเห็นความจริงอย่างเต็มส่วนที่นี่เมืองพอก็อยู่ที่นี่ความเป็นแรงธรรมก็เต็มเต็มส่วนพรอจิติเด่นตรนี้ อย่างทั้งหลายที่เห็นนี้เราเห็นงนี้ต่นนื่นอแ ก, ก, การมีนิพกานแต่ ง, งานงานแบบโลกโลกงานค่ากิเลสไม่มีจะ อ, อะไรมาสงบเย็นงานค่ากิเลสไม่มีการ่ากิเลสแ้่สงบตัวลงไปต่างหากมันเป็นความสงบเย็นและค่ากิเดสแค่แหลกแตกกระจายไปต่างหากมันเป็นความสุขที่ราบค้าวที่สุดนี่เเห็นอย่างนั้น นี่ห น, า, นาเขาขานะ้าจุดนะ้งฝดหน้าแดงมันฝาดผิดกันทนะทั้งเลือฝาแล้วก็กาลงไปไม่มีรถแล้วปูนกัดปกเลยหน้าแดงผิดกันยิ่งยิ่งแดงก็เลยยิ่งดีความนไปนะรถชอบนี่ฉนะันแดงกันแน เมื่ออะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกม้ายังมีอำนาจบังคับอะไรนะปัสสาวะมมา้าเกิดนาก็าไม่ได้เกิดกัมมานั่นนี้เหมือนกิเนะลสเราเกิดมอไม่เกิดกับกี่เลสนะัินถึงแก้ยากอันนี้มันจะไปแก้กยากอะไรที่จะแก้กแกกแยากแล้วมันต้งหน้าจงตาแก้เอง ก็ยังพอเห็นผลประทังกันไก็ตั้งหน้าทงตาแก้แนนะไม่เกิดพร้อมเราทไปทำอมคือวันถึงก็มีนเป็นก็อภิไดเรกทั้งคู่ทางบ้างทางคุณพลทางนี้ไม่ค่อยใหญ่ไปเนาะเราก็พึกขึงนกลางทางบ้างใต้คุณพล ขวงามก็อย่นี้ไปเลยท่านวักษณ์วัวไปทางลักษณตอนนั้นเพิ่งบอกท่านศิวักษณ์ท่านก็มีูท่านศิวักษณ์ของด้วยแต่ไม่ทำไม่เสียแต่ถ้าท่านรู้ภาษสอังกฤได้แล้วไปยื่นตะวันขวางผมยังเสียดายผมไม่รู้ภาษาังกฤษเลย ถ้ารู้ภาษาเขาจะไปวัดกับฝรั่งหัวคำมั่มไปสทีเข้าใจไหมท่านมันเนี่ยมันไปฟัดไปพิเลศฝรั่งหรอเป่าิเรศฝรั่งกับพิเรศภาษาไทยพิเรศไทยมันจะเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะฮึคือได้ภาษานั้นแล้วเหมือนภาษาของเราเนี่เอาเอาจริงเนี่ยใส่แลกเลยพิเรศเนี่ยแล้วมันแหลกได้คือเข้าใจถึงใจถึงใจใช่ไหมล่ะอันนี้มันดีดเดือดในการสืกันตีมันไม่ค่อยเต็มไม่ตรงเลย พูดแล้วมีร่างแปรมันก้เหมือนกับว่าขอ้อธรมานี้กิ่มเลยกิ่มเลยแปรนี้คนกาลังสงเสริมิเลสเห่อกับกิเลสทำให้โลกนี้นัวันร้อนจนโดยขนา ด, น, ดนั้นเ่าสนใจกับอัตถธรรที่จะพอให้งสงบพ้่มเย็ยนเลยนั่นเห่อกันกํากำลังเพระฉนั้นโลกมันถล่มร้อง หรือว่าแตาจพวกประชาชนทั้งหลายคารวะเขาจะทั่วกันะเขาจะพังเราอยังเหิ อ, เ อ, ยอย่างแทบตายก็มีองกรรมฐานพอั้งกอนไว้บ้างแต่ว่าองค์กรรมฐานามันมีศาสนาหน้ า, ากรวดเหมือนกันนะในระยะนี้นะตอนนี้ยังมีที่ยึดีอันนี้ล้างไว้ พรอย่างวิ่งเขามาขานสายนี่สายเขามันมุจมากเลยรู้สึกว่ากระเทือนทั่วประเทศไทยนทั้งนี้ก็เนื่องจากหนังสือประวัติขึ้นแล้วก็เริ่มอย่นั้ก็ขึ้นตามกลางไปคนงานได้อ่านอืทั้งที่เราก็คิดไว้แล้วแต่เจ้งหมากขามาห้เรามันก็เข้าร่องรอที่เราคิดไว้แล้วมาถ ทุวนี้นถือนี้ก็เป็นประโยชน์มากมาเลยครับจิตใจเรียบร้อยแล้ ว, ลล ว, ว, ลวทําให้คนสิตใจเปลี่ยนเป็นโลกใหม่ขึ้นมาก็มีไม่น้อยครับคิดอย่างนั้นนะบางคนอาจจะขึ้นหลังมาเรื่องมะฝนขวางับศาสนาแล้วมีตัวทังสี่นี่ก็มีอยู่มากเและจะคิดขึ้นมาเป็นช่างใหม่อย่างนี้อือม ม, มากแล้วก็มีจริงๆเป็นหม า, มาบางราจนโอ้หน้าสงสาร บางลาเขาคิดเขาเขาพูดออกมาตามความ้สือเขาเขาชื่อย่างนั้นจริงๆเขาว่าศาสนานี่หมดหลังแล้วก็ว่านี่แต่ตัวหนังสือเนี่ชื่ออ่า น, นดูพระดูเดินดูเขาปฏิบัติแม้่ต่เรื่องของที่ดูไม่ได้เลยกระลดสังเม็ดเท่า้เวาอ่านหนังสือแบบนั้นนั่นนันนั้นคลิกขึ้นมาเป็นเกิดเป็นกดมันเกิดชาติใหม่ นายคนคนนี้เหละนี่มีมากนะจนหนมาขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นกรรมหนึ่งเหมือนกันถึงกับอยู่ขที่พอที่จะทำประโยน์ให้โลกได้พอทุกคนเดินทาเรื่องขันมันก็ไม่อ่อนวยเยอะที่มันเข้ามาหาเร า, านี่เราก็รู้นี่เมื่อมเมื่อสองวันวนี้พอเกษตรเข้ามาหกอำเภอน่าร้กกว่าคนมานั้น มัน่เจาาเดิมเอะเป็นเนื่องาวหรือเรื่อะไรใคตาวขึ้นมาฟังบางด้่เท่นี่ยกษาษา็ฟังก็พอประมาณพ้าเท่จะรังการพอเขาเริ่มถามปัญหาเใส่เพี้ยนเข้าไปนี่ต้องเสียงหาระจึงๆรงๆนึงินไหมล่ะน่คือพอใจมันถึงใจถึงความจริงในการตอปัญหาจึงสาคัญอย่างมากถ้านเปนคนาำมดีท่า น, นาั้ น, นเคยพูด ก็ไม่ลืนนะเวลาอยู่สองมานสอน้อท่านพูดท่านดูหน้าผมเลยนะตาท่านใส่แจดูอยู่เฉยบางทีบัวบางทีเลยนะตัองทีอยู่กันบัวท่านว่าเจ้าไข่เนี่่แหละภาษาทางบ้านอีสานเจ้าไข่เอาพูดตามความจริงนะบัวนะเจ้าเทพนี้ไข่หาตัวจำยังนะบัว ท่ยังเคยพูดต่อไปทเจ้าก็เป็นคุณมูลนิน้อยเนี่ยบัวน่เจ้าแค่มม เ, เมันึงใจใครแล้วก็นอบอัไม่ไม่อ่ะไหลเ้ยจักรวาลนั้นข้าผมมีเสียงนัก่นหน่อยเลยแถวต่อทั้นมาแล้วรแต่ถ้าจ้าไม่มีปัญหาเน่แค่จะคอยยกให้เจ้าหน้าบัว น, นะแต่ถ้ามีปัญหาแล้ว้ังหาการต่อัญหาเจ้าเป็นหิ่งไว้เอะ โอ้ยนูเคยถึงใจไปแยวกันบัวาเลืดเร็วที่สุดเร็ปั๊บสยปั๊บสปั๊บพอผมจะเท่าเช่นหลง่อโพนี้เนาะท่านทำหน้าที่เองนะพอผมขึ้นมาปั๊บท่านจะเบนึ๊ึบตึ๊ใครจะพูดนะใครจะฟังเที่าบัวนะร่างนี้ข้าจะฟังเที่าบัวนะขาจะพูดยังไงนี่ก่อนนี้ กึกกึกกกรอบเรือยแล้วกลับมทนฟังเช่นท่านฟแบบกรฐานฉัาหลับตาไปเลยท่ชอบจริงอ่ะตาตาท่านสังเกตยู่หมเวลาผมเ่ชอบจริงนกท่านจท่านรู้นเป็นฤชาเลยผมรนๆใช่ไหมหือชาแล้วท่ากานยยัดยติเอง ถึงไม่เป็นวิชาท่านก็เปหญ่ท่านพูดได้นั่นแนะแล้วกนิ ม, มนต์ท่า น, าานกันจังท่านแล้วนี่กับนิ ม, มนต์แต่เราไปไม่ได้เราติดตอเนะอ็นท่านจะคุณเราจะดีนี่ยังมาเอาเราอีกเราก็บอกเราไปไม่ได้ท่านเลยไปท่านก็พูดทั้งท่านแล้วก็กาพูดจาหลักแล้วก็คือวัฒนธมนิสัยอย่างนี้ท่านพูดเพื่อให้มันถึงใจท่านท่ะว่าอย่านั้นแต่แค่ท่านทำ า, ทาริงจริงแล้วไมทานี้น ในฐา น, นะานนทา่นนะานเ็ผู้ใหญ่ท่านก็พูดถึงเรื่อการภาษาของผู้ใหญ่ความกระเนื้นเลาท่ามาเตะแล้วบัวห่ค่อยคิดถึงเจ้าจะตายแต่ก็บัวมัคุ้กันเองสั้นเทศนานต้งจะเออขึ้นคำหนึ่งนานจะเออคำนึงค่อยไม่ทันใจก็คิดถึงเจ้านะ ค, คิดถึงหาบัวไหลไปเลยมั น, นสนุกสังเลยอันนี้อ้วกค่อยจะหลับๆๆๆๆ ท่นก็พูับนุ่านเหมงอนกันเคยเชี่ยวที่เที่ยวมก็เคยเที่ยวไนอะ้คุณจราพานคุ ณ, คณนี่ท่านก็เป็นนักเทศนย ว, นะขวเขา่็เคยไปเทศ่ยัดท่านอคุณเนี่ยประกาท่านาคุณจำเป็นจดีแล้ว เ, เท่คนเทศเยอะนาราเทพตามนิสัยของนอนหมุนเปี้ยวเลยยังมาเยกันยิมเต็มอนะ่ะดาราไปเที่ยวยนะ อะไก็มาโคกขันมันเอาผมไปเทศ่ยที่เท่าเทนน่ะะผมเคยพูดในหมนู่คนฟังขั้นเลยคั้งนั้นมาเห็นต้องเจน่าผมดีไรท่านจะเอานี้สินทักทาก่อนท่านไม่เคยได้ยินผมเทื่ออย่างนั้นเป็นคืนประเทศปีนั้นขเขาเปิดพุทธนาผมเป็นครั้งแรกครับเปิดที่นครปฐมรุ่มห้าร้อยสองใช่ห้าร้อยสองมา น, นมวลผมไปเทศ่ยผมบอกไม่ไปถ้าไปต้องอาท่านกคุณไปด้วย เราก็ไปนี่วันนั้นกับคุไปด้วยกันันนั่งตุ๊กตาละครก็มา แ, แน่นสลาท่านให้เราเทสเวสเนี่ยพระกับเต็มต้องมัดี่เทพเข้ามางานที่ว่าว่าท่านจึง ม, มานี่ก็โดนเต็มวัดอยู่แล้วคนก็แน่นเราขึ้นเทสชั่วโมงกับหนึ่งนาทีทเทสไหลไปเลยนะนเนื่อเปียกมด ตอนท่ามาเขาก็จะขอให้เราเทียวอจคุณอไม่ได้วันนี้จะเอามาโบสประเทีย่ยวบ้าอข้าเทียนพอเทนแล้วก็ไปเลยนี่ไม่มีเวลาหนึ่งร้า น, นต่างประเทศไทอยอุเทนคุณวันดีเนี่ยเป็นคนขับรถเออพูดงี้ไปตามทาง มันก็คงเส้นชะตาของเด็กคงยังไม่ขาดมันมันดุนดานนะให้เราสรุปใจนะขับรถไปก็ยังรถก็วิ่งก่อรถเต๋งต น, นี่ขณะกุฏิตู้เย็นนะเด็กมันนี่กระเทิอยู่นั้นมันเล่นอยู่ข้างทางเต็มเด็กไม่แต่อายุห้าปีหกปีเจ็ดปีเนี่ยตอนมาไปได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ทางด้านมีผู้หญิงคนเดียวทางด้านนี้ทางขวามือ น, นี่มีแต่เด็กทั้งนั้นเต็มหมด มันมีผู้ญิงคนหนึ่งยืนนังหนหน้ามาหนึ่นแล้วเขาวิ่งเ่ยไปแตวมันเด็กกาลังเล่นมืนั่นนะบารถหน่อยนเพราะว่างั้นนั่นเด็กคนหนึ่งมันยินนั่งระวังนั่นระวังั้นมันยืนอยู่ตรงหน้าบมเพืนนั่นเดกคนนึ่งมันยืนหันนางนระวังนั้นระวังนันคุก็บารถทันทีพอไปโอ้โหหน้าบาดเียวแล้วแต่เลอเกิน พอไปพอได้ได้จังหวะเด็กคนนี้ยิ่งเตื้อ ม, มาเลยนะพอดีรถเราก็เบาอยู่แล้วนี่เราก็เบรกพอเบรกพอรถหยุดเด็กก็ยืนขวางหน้านี่เลยนี่นะโอ้โหยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็จอดพอดีเลยมาถึงนี่หยุดเลยนะมันเหมือนก็จะควายกันหนึ่งก็ตรงกสุดแล้วกับเลยเด็กนั้นยั ง, ย, งยืนเอย น, นั่นแม่ยืนตรงนั้นมันยืนอหาแม่ทําไมมันจะไปยืนอยู่กลางถนนนั่นนา แม่ผมเนี่ยติดหูติดตามนะ่ยหุยใครก็มันก็เหมือนกับอะไรหัวเสียกปเต็มทางกันหมดเลยนั่งในรถนั่งแต่รถมันเบาอยู่แล้วพอยิ่งเปิดออกมารถมันก็เบรก็อยู่เลยท่าอแล้วกำลังยิ่งเบรคก็เบรคดูสิทำไมหกคอมเมนเซเตอร์ไปเลยแหลกไปทั้งคนทั้งรถเนียแต่นี่ของเราเบาคุณนีก็เบาทันทีเลย มันก็บิ่งก็ๆๆไปมันก็ปื๊ดออกมาจริงๆปื๊ออกมาก็เบกปั๊บพรงน้มันก็หยุดแล้วเด็กก็มายืนขวางหน้า่างนั้นแหละพาออกแค่นั้นแล้วก็เอารถไปจอดตุ๊บข้างแล้วก็เรียกแล้วก็คุณพ่อคุ่ก็ลงรถเลยพายก็สอนแม่นี่ลูกคุณแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไช่ทาไมสั่งสอนลูกแล้วบังซีวะนี่เป็นทางหลวงทางแผ่นดินทําไมจึงให้เด็กมาเล่นในที่อกาแล้วเด็กคนนี้เห็นไ้มตะกินนี่คุณเห็นไหมมันก็นั่งมันก็ยืนเฉยอย่แม่ มันมายืนของหน้ารถเนี่ยทารถไม่รอมันนี่เหล็กนี่แหลกไม่มีเหลือนานเลยมาโอ้โหคุณให้จำํำมันสำคัญนี้ต่อไปในวังพรุมงน้คืนรถล้วก็ไปเพราะเราผ่านไปมองขึ้นมาข้างหลังอแม่กำลังจับเด็กหัวดกโอ้โหอีสีบใบเลยจับเด็กหัวเด็กแม่เลียวหัวเด็กคนนั้นแต่ก็ยังดีกว่าถึงนตายฮู้วมีอันนี้บาเดี๋ยวมากผมไม่กินดพฤติกามมันเหมือนก็มันชะตามัน พวกเราเป็นผูดฉุดตาล้ว้แม่มันขาสะบัานแต่แน yeah. ่ขนาดนี้มันดนบรรดาทุกคนมากระรานนี่แหละเป็นคนปากเว่าเปาะนู้ปาะน่แล้วแต่เราให้เราลดนันเบาลนเด็กเล่นมันตึมันนัะนพอไปอยู่สักคู่หนึ่งก็เด็กคนนั้นยืนข้างแม่หันหน้ามาทังนี้เด็กมันก็ยืนนั่นระวังนัเด็กคนนั้นยืนไปก่งเพื่อนมาระวังนั่นอัานี้ก็ยิ่งเบาลงไปเรืยเลยพอไปถึงจังหวะพอดีก็ตึงมาเลยนี่นะ พูดมาเสียวผมอะถาหารถไม่ได้รอต้องเปลี่ยนท่ารอแลนน้วยังไงก็แหลกมห า, าแหลกเลยนะจนไม่มีชิ้นดีเลยเลยวนะิ่งมาแล้วแทนที่จะผ่านมันไม่ผ่านนี่ยืนขวางหน้ารถู่เลยนะมันเหมือนกับว่าอะชะตาของมันเหมือนกับว่าดึงล่ากไว้ตรงนั้นเจา ใ, ให้แหลกจนน่องนะแต่ที่ี่ชะตาของเราก็ยังดีเ <c oughs> บรกเราก็ปั๊บเบรกได้เลยเพราะมันเบาอยู่แล้ว โอ้โหมานที่เข้าไปถึงนครปบบนมุ่งถึงภาพเทียนละเทศแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเทศให้คบให้ขันในพวกนี้หัวล้อก็ลั่นตลอดกันเลยท่านเจ้าพนี้หัวเราจะแทบล้มแทบตายจริงนะผมจบเพื่อแล้วเขาก็ขอลาว่าจะโดนโจ๊กอยู่แล้ ว, ay, วจบแ <laughs> ก็มันมันหมด ดินระเบิดแล้วต้องแบนันแล้วเนาะมันไฟเลยแล้วเงยหงายแล้วจมาลงมาอย่งท่านเจ้าคุณยังหดินลบดินตายอยู่ดิฮึยยยยยยยยยยยยยยยยเยายยยยยนยยยยยยยยยยยยยยยยกยยยยยยยยยเยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย้ยยยยเยยยยย มาทำบัวเทียนนี้ก็เป็นมาทำบัวเทนี้ก็เป็นเย่หัวกระดูกที่บ้างไม่ใช่พระตายด้วยหนึ่งไม่ใช่พวเป็จะลบคบขันพวกนี้มันชอบตัดชอบเบอเป็นมัดเดินเบอแล้วก็เท็ดจะน้องมัดนังเบอเทดนี่จลกคบขันนะมันเป็นประโยหน่อยนะหัวเป็นแต่ยี่สิบนึ่ยมมัดที่แต่หัวทนเด็กุณกพอท่าเด็กุณใครกัพ่อใคร อัน้มันแหละจะมันอันดอกเท่านมื่ก่อนดงจนนี้ก็นั่นมาเทปถึงกระดานนั่นเหมือนเ่ก่อนนั่นตั้งแต่ต้นการจนจบเทปว่าจะถึงนี้าทปนั่นจะนั่นนะตัวเมินไม่ได้ยังพันยังพันมีพูดถึงเ่อนเทปแล้วไม่เคยเลยนึงถึงเงินท่าขาดแขนร่างกายมันพุ่งพุ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะทดูดีอย่างเราเล่นล้วเล่นขนาดนี้มันมันรู้สึกพอมันรู้สกยัง พเพต้องหยุดทันทีหินมันก็แยกออกแล้วแยกออกความสัมผัสกับธรรมนันม้นออกแล้วโอ้โอะล่ะทำพกากันเต็งออกเต็งใจออกคือปฏิบัตินะเนี่ยเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเปลี่ยนทุกยากขนาดไหนก็ช่างมาเจอการต่อสู้กับวิเลทมันเป็นตัว ส, สเดียดตันไลที่สุดในหัวใจของจับโลกแต่พ่ออย่างยิ่งในหัวใจของเราพูดเป็นนักต่อสู้เนี่ย เบอรมันออกที่มันจะเป็นยังไงผลกับคุ้มค่ากันหนยกับความเพียรที่เขาเป็นมาตายเขาแรกกันน่ะเวลาตากดผลขึ้นมาแล้วตามคำสอนที่ยอดสอนนั้นน่ะแต่คุ้มค่ากันไหมไม่เห็นดูหมดชีวต่อนนีนก็ไม่เสียดายแล้วถ้าลงไม่เจอผลมั่นแล้วเอออ๋อออย่างนี้เหลออย่างนี้เหอือ เวลามันดือ้อดึงยาง น, นี้มันจำไม่ลืมเลยเพราะพี่เรือนก็เป็นพระธรรมลืมไม่ไดเคยทุกข์เคยลำบากลำ ม, มามเท่าไหร่มันดื้อดึงลากเราไปต่อหน้าต่อไปอไม่มีวายอะจะพูดมันได้เลยว่ามึงตอนนี้นมันจะเหมือนแตไม่เหมือนตอนกิจเสื่อมนบ้ผมจริงเค็จจริงหล เจ็ดที่สิเอ็เป็านเวลาพอได้ที่ถึงฟัดเป็นลงถ้าเป็นข้างกบขึ้นพอรมันได้แล้วก็บใส่ลงสองมือเลยนะสาบหม้ง ล, ลงไปกับปั่นเหน่ยเนี่ยความมุม่มา่นอันนี้เป็นมับแล้วถ้าเป็นมาไดนะ้โอ้โหโมโหวยตัวอย่างนี้สุดถีดน กิเลสเมียหัวใจของเราเนี่ยถึง้คราวนี้กูเหยียบหัวมึงได้แล้วมึงจะขึ้นเยียบหัวกูไม่ได้อีกแล้วฟัดลงตรงนั้นนั่งถึงหามลุ่งหามข้ามมันจึงไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องจะเป็นจะตายเพราะกิเลสมันเหียบเรามันทกยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเลยมันเถ็ดเวลามันเฉื่อยแกล้งพอมันได้ที่แล้วก็ฟัดนลงถึงขนาดที่แบบมัดคอจิดกันเลยอ้าวทีนี้ก็ใช่ จิตเราเสื่อมอีกครัมนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นแต่เนียเดจะไม่ได้นู่นนะงเพราะฉะนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามีชีิตอยู่นี่นะมันจิตนื่เป็นจิตแปลกๆไปเรื่อยนะจิตผมมันเด็กจริงๆไงว่าอะไรเป็นมัน่จริงถ้าเราไม่ลั่นลงไปแล้วมันขาดจริงๆไมันไม่เะลอยลอยเลแหลกูอยั่นี่ไปยังไงลึกถึง พ่อตาผมอนะ่ะพ่อของมยมแม่นี่ผนะู้ท่ า, านเยทำยนายแต่ลูกชายคนหัวปีก็คือผู้ใหญ่ลำพายที่ตายไปแล้วอันนี้ปีในิสัยอย่างหนึ่งลูกมีลูกดิกนอยู่ในท้องแม่บางทีก็น่าภาปิดไว้กลัวคนอื่นมองเห็นลูกมันดิ้นอยู่ในท้องเนี่ยยมแม่ว่างั้นเนาะมันไม่อยู่เป็นฝูกดิ้นลูกดิ้ดลูกดิ้นอยู่อย่างนั้น ตึกตักตักตักอยู่นั <blunt animation> out, hey, whisk, ้นพูดกับพ <about them? S 3> <N iin> ่อไอ้พ <N iin> <N iin> <N iin> ่อเป็นยังไงนลูกผ่ร่าเป็นยังไดิ้นดิ่เรากดเดี่หัมท่อมันเป็นตัตัมันดอกเปนะังไงขวดใส่ดิ้ังข้ได้เอาผิดไว้อย่าให้คนเห็นแเลยมันดิ้นจนเนแล้วท่อหนึ่กรเทืนไปนุ่มนุ่มๆม่เสียกันคนนําเป็นยังไแต่ไม่เป็นนั่งเ็นที่พอมาถึงเรานี่ ันไม่เป็นอย่างนันมางทีให้พ่อมาข้าให้มพ่อพอมาข้าบุญท่องคอยนะใจอะไราะมันลูกเขาตายตลอดพอมาข้าบุญท่องหม่อนว่าไปยังดอกว่ามันบิดดินจท่างเชีมันดินดุ๊กุ๊กแล้วลามันดินมันทีจนเก็บข้าวได้เลยมันบดดินธรรมดาเด้ดินจนเก็บในท่องอันเวลาน้เงียบเงียบเหมือนคนมันเหมือนตายไรแต่เดียวนี่มันเงียบเงียบมันตายแล้วว่าถ้านอ่ยทาี้เือยังก็ว่าไปแล้วนิดอันท่านเล่วมันตายแล้ว่เมื่อตายดอกเหนก็เป็นเรื่องอนึง มันเป็นเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งถึงท่านี้งบุญบอกว่าจะคลอดอีกแล้วมันเจ็บข้่าไหร่ส่วนสามมือมันก็บกคลอดเด้เลยมันเจ็บดว่ามจะเอาให้ลตายแล้วหายเยับไปเรื่ยๆิห้ามมัเป็นเส้นวลาไม่ออกแล้วมันไ่ออกมันเป็นมอนามันตายบ่อหายเยับไปเล่ยมันตายท้อคอย่นอยเบไปี่หนเนี่ยเนลาดิ้นไม่ยพอเปนพอแตกเรื่อยผู้ต่อท่านลูกชายมัน อันนี้เขามันดูเศ้าย่างนี้หรออู้อันนี้นี่คือกจได้เอเพราั้านไปทังไหนนะขาดเลยใจใจสาคัญมากนะใจนักแนนวเป็นเาในักนทํามันไปทังัวนี่ก็โอ้โหเสือล า, ายตอหนสูงบ่อรหรอกรอมันต้องเป็นจอมเสือหลาเพราะั้นไปทั้งดีนี้เอาเอะเอาเถอะแาอย่หงนี้นอย่างนะนี่ก็เป็นดีห่ะ นแฟนเขาเป็นเงินงนีพ่ายหนมล็กททํเนียงรว่าเป็นนันนีเป็นมานน้กันนี่ทางานกันเล่นเล่นนั่นทานันเล่นนี่เล่นนันนี่ไรๆนี้แล้วทาอะไรไม่ได้เรื่องก็รับจ้รมใจนี้ล้วแอะไรไม่่อได้เรื่องก็ลับกรรหายไปแค่เล่านทลได้จับเรล้วนแล้วไร่างนี่ยผกัรพราะ้นทงพ่อแม่ถึงเรเบาใจ เรื่องการในงานไ่ได้รนี้แล้วฮัลโหลเด็กปล่ยเด็กเราอ๋อท่านนั่งฮัลโหลเด็รันค่ำหนอยแม่แล่าเป็นแม่ถอยแต่ปล่อยแล้วปล่อยเลยท่านได้จับป้าแล้วอย่างนี้กระถูกด้วยอ๋ยอใช่ถูกด้วยสนใรเรื่องอะไรนิดด่งดีอะไรแต่ฟงกินดีไปการที่ด ไ, ได้เห็นกันเวลากระกอบความเพียรเห็นไม่ลืมนะ างข้างตองมอนดนตายนไม่ตายให้ลกมิถันนั่นถอยไม่ได้เลยถอยให้ตายเยอยแม้แต่ขอะไรที่ก็ลงนาำถอยให้ตายมันหมดราคาคนไม่มีความใจความจริงยั่ให้น้าศาสนาทำไมมันไม่มีทางไ่มันนี่มีสมุนขอมุนขอนั่นแล้วปัญญาเกิดคนเาเวลาจนกลอกแล้วมันไม่ได้โง่แต่เวลาเวลจนกลอกแล้วมันหาทางฟื้ตัวเองเพื่อหลุดพ้นไปได้ ตัวรอดไปได้จนได้เลยปัญญาตตตมันเกิดกันนั่นทุกข์กับีบก็มาโหมก็มาหมอมก็มาทั้งทุกข์ ท, กทั้ง ก, กายทั้งใจเลยก็กันก็ฟาดกันนี่นนแหลกไปมันหาทางออกมันจนได้มันเหมือนก็ว่าหัวแห้งสักที่หนึ่งมันจะตายราดเพือเพอได้ถี่หัวแห้ที่หนึง่ไยยงไปนั่งที่หนึง่งงออมหลับแบบงนานในโลกนี้ไม่มีเงานอะไรจะเกิหนักถึงของงานสูกลียดเล มังมากมันเป็นยาไม่ออกเดินนี่ก็โอ allora. so, ้อ An ันนี้มันอะไรมันเป็นไปด้วยความดุดเดือมันนี่มันอยากเป็นไปด้วยความการบังคับเงี้ยตามตามขั้นขั้นบังคับต้องบังคับกันการบังคับก็เป็นมั่งการมุมาณะอ็เป็นมั่งไม่ใช่เป็นขี้เลวขึ้เหลวโมโหเจ้าของกับเจ้าของกระหม่อมขี้เหลวของเจ้าของเลย มันเหมือนกับว่ากับฟันเหมือนฟันขาดไปปันขาดไปนั่นแหละเวลามุ่งมานั้มันอาจจะยืดหรือมันเป็นมั่งพลังมันแรงพลังตางส่ายดีมันแรงเป็นมั่งความอดความทนความมุ่มานะหล่านี้เป็นมั่งทั้งนั้นไม่มีกําลังใจชูไม่ได้กำลังใจกําลังมั่งซัดกันไปซัดกันมา ถึงขั้นมันลืมวันลืมคืนลืมมืดอดืมแจ้งนี่มันก็เหมือหนึ ง, งนนคือมันไม่ออ ก, กเลยจิตมีแต่หมุนติ้วติ้วอยู่กับพี่เลืฟาดกันอนยะ่งนี้ใไหเดินเี็นคนเดินออกร้อนปาดท่าแต่ไม่ถึงาากา็บัดท่าแตกนะผมพอมาหยนนุดในทรู้นะในขณะที่เดินไม่รู้ว่าอะไรร้นอะไรหนาวอะไรทุกไม่ทุกเพราะจิตมันเหมือนอยู่กับพี่เหลืฟาดกันอย่างนี้กพี่เลือแเวลาเดินหยุดินนี่โอโ้โห ออกร้อนฝ่าท้านี่เหมือนถูกไอนรนหนึ่งแล้วมองถึงนกาหน้านี่อุ้ยมันจะโดดแต่มันเหมือนก็มันมันจะตายจ่ิงๆมันหิวน้ํามีลินใส่ตึ๊กตึ๊กไสำลักกับมันจะตามันหิวน้ำตอนนั้นไม่ไม่มีอะไรมันไม่ได้กินน้ําอย่างทุกวันนนะทานเสร็จแล้วก็ทานน้ำแล้วก็เท่านั้นเนี่ย ความเพีม่เหม Sag ือนมันมีหมายถึงว่าระยะที่ความเพียรมันหมุนมันเอาอย่างนั้นจริงๆเดินเป็นมดมาภูวุรีแย้สงสายว่ามันจะมาดุ่งเธอหมุนตือนตื่นเวลามันหมุนมันพอๆนี่เป็นเจ้าของยุตตกนี่โอ้โหเมื่อไหร่มันจะได้หยุดได้สบายก็ถี่หุใจเราคิดเอาค่าแล้วมันผิดทั้งเพลงความคิดค่ากับความจริงมันไม่เหมือนกัน คิดว่าจิตจริงละเอียดเข้าไปเลยเข้าไปยิ่งจะมีความสบายไปเรื่อยเรื่อยเราคิดไปอย่างนั้นนี่จิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรจะยิ่งสบายไปเรื่อยเวลามันเข้าความจิตเป็นความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนละเอียดเข้าไปเท่าไมันยิ่งฟัดจนยิ่งหนักก็คือว่าความเห็นโทษมันมากจริงความเมตนคุณมันก็มากความโทษความเมตนคุณมันเท่ากันเห็นโทษของที่เด็กปัญหา มีเห็นมากเห็นคุณค่าของทําก็เห็นมากนนา ง, ง, างก น, ากนั่นที่พาให้หมุนก็มีแต่จะเอาให้หลุดให้โลดให้พ้นให้พ้นแล้วมันจะมารอตัวได้ยังงหมุนติ้วอย่างข้างจนถึงก็มันจะตายทีนอ้อ่อนเพียงมัดในีน่ยในวงข้างในอก่อนเราคิดไว้อย่างนี้จิตมีความละเอียดแล้วก็ะจะเรายิ่งจะเบาสบายครับ เน็ตนี้ทําไมจึงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเบาอะไรมันยิ่งหนักแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรามาวิโตนี้พออยู่ที่ต๊ะพาบมันก็พังอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหมุนเตี้วเขาอีกแล้วคิดได้ชั่วขณะเหมือนหตี้วตลอดลุ่งบางคืนไม่ได้หลับเลยมันก็แปลกนะมันไม่หลับ่ฉยนีๆคือมันฟาดไปอย่างนั้นหนัก งานนั้นไม่ไม่เสร็จไม่สิ้นไม่เข้าใจมันไม่ถอยนอหนึ่งจะเอาให้เข้าใจจะเอานเอาให้ขาดไม่ถามไม่ถอยนั่งกันนั่งนอนมันก็ะพีนามันมันก็ไม่หลับเอาเส้งก็ไม่หลับก็ไม่หลับสินั่งเป็นไงมันนั่งฟาดเป็นไงมันจะไม่หลับสุดท้ายก็แจ้งโคโล่กลางวันมันยังจะไม่หลับอยู่นฟาดกันอยู่โอ้ไม่ไหวจะตายแล้วเนี่ย ไม่มีทางไปก็พุทโเข้ามามัดเลยพี่พุทโาพุโทโธม้มันคิดัอยู่กับพุทโธพุทโธียิบไมให้มันออกออกออกไปทางานนะยังไม่ทั้งพอพุทโธก็ขีบม่ยอมให้มันคิดมันตุ้งม่บังคับไปนะมันออกไปทางานทั้งมันไปหางานทั้งมันที่จะให้มันงเนมันไม่ตายมันมันหมายถึงมันเพลนในงานอ พุทโธพุทโธเนพราะงานอันนี้เป็นงานพ่อสงบความตึงมาพโพทโธพุทนี้เป็นงานอรอ่างเงี้นก็สงบแน่วบางก็โหเหมือนถอเสื้ถอดน้านะเบามุดทั้งร่างกายจิตใจเบาไปรวามคมกันนกพุทโเ่หยาดหยือไปแนวบางบังคับไปนั้นไม่ได้นะถึงลงเงี้ยจะต้องบังคับไปไม่งั้นมันถอออกมาปัดกันเล ต้อ ง, งอมันกับแล้วหายเหนื่อสบาพอเห็นว่าสบายมันมีปล่อยเพราปล่อยเลยถึงนี่ก็ใา่กันเลยตูมเลยอันนี้ขาดสะบา้านไปเลยนั่นนัแหละ่ะสมาธิกะ บ, บรรดามันมีความจําเป็นต่อกันอย่านั้นเป็นหลักธรรมชาตาเเิเป็นประสบการณ์เองเห็นได้ชัดอ๋อทํำยังไงเข้าสมาธิเวลาเหนื่อยงยให้เข้าสมาธิในหนังสือท่านบอกมันมีกำลังแล้วเข้าสมาธิเพราะมีกําลังแล้วพิจารณามัน มือ่อนเพรีแล้วก็ให้เขาให้เข้าสมาธิแต่มันความเพลินมันเกินตัวมันไม่สนใจจะเข้าสมาธินอกจากว่าใครสมาที่มันนอนตายเฉยไม่ใช่ฆ่าวิเดกนะออกปัญญามันเห็นไลยฆ่าวิเดกพักเป็นพักๆไปมันรู้แน่อุทละต้องเข้าสมาธิเนี่ยที่ว่าอุทจจะมันฟุ้งมันเพลินในความเพลินเพลินในการพิจารณาจงไม่ มือแลเาไม่ร like, oh ูความพอดีมันก็ผ <That> ิดตรงนี this ้ที่ว่าอุทจักมันเพลอในความเปลี่ยนอุทจักความฟุ้งซ่านเล่นไปอะไรข้างนอกโอมันไม่ตายแต่ทางไม่ยัดแยดแยดอะไรนั้นนะนี่จรทําให้เห็นผู้จะเกิดการเล็กนังยสีเหมือนกันเป็นคนท่านใดภูมิใดพยายามนี่จะเป็นเครื่องวัดของผู้แต่งได้ได้ดี แต่พอให้เราเป็นนักปฏิบัติเพลยรู้ผู้แต่งปะะัญญาไม่เป็นผู้มีภูมิใดในพันธะหลังมันบอกในตัวมีภูมิอาจภูมิธรทา ง, ทงด้านปฏิบัติแล้วจะเข้มข้นธรรมดาเป็นเพื่อเป็นความจำธรรมดานี่มันก็ไปอย่างไงอื้อถ้าจะความพุ่งสร้างมันก็จะหมายว่าความพุ่งสร้างโลกหรยอใจนั่นหร นี่ไม่เปนั้นมันพุ่งไปกับงาน น, นั่นเองมันทุนมูลวุ่นวายกับงานมันเพลินตัวงานที่ว่าเออิปจิโกนี้มีอันนี้ขัดกับหลักปฏิบัติแนละ้วก็หนักความคิดเหผมเอเอิปจิโกนย่อ้อง เ, เรียกคนอื่นมาดูได้ทําทของจริงไปต้องเรียกใครมาดูเขาจะหาว่า บ, บ้านคำพูดจริงที่ไหนอื แ้วถ้าเป็นพระพิจ้าต้องสอนพวกเรานี่ก็บอกว่าท่านเนี่ยท่านเหล่านี้อ่ะตรงย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในสู้ของจริงยืนตรงนี้อาเดียสับอยู่ตรงนี้หน้าเออเองคือตามหลักพระญาต้งทำว่าหินั่นแหะให้ขึ้นสว่างวิริยาหินตอันติที่ฐานไม่มาเตยเตเสียนี่มันบอกไว้ในเราติว่าบอกบุคคล อันติบอกคนทั้งหลายคนทุสัตว์ทั้งหลายติคนคนเดียวทุสัตว์ตัวเดียวติอันติสีภัยมาสีก็แดลว่าออกท่านออกท่านเป็นเอกภพน์ี่เอหนึ่งนีตัวนี้เป็นกิริยาให้ขึ้นตะวังตะวังก็แปลว่าท่านฤทธิเผอนี่เราตีความหมายวยาน้องเรียกยก็ดึดมาดูได้นี่ท่านจงมาเลื่อนเรียเร่ยว ท่านตรงมาดูกรรมของคุณเน้ น, นไปนอกๆมันเสีถ้าคปฏิบัติจริงไม่ต่างกันถ้าสมมติว่าพระเจ้าสอนสาวกหรืออย่างที่ผมสอนท่านหลายนี่ก่อนท่านทั้งหลายจงย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่สิคือนะบอกในวงผู้ที่สอนนะี่ท่านดูดูจิตตัวเองนั่งที่เข้ามาดูจิตตัวเองนั่งที่สมันออกไปข้างนอกทำไมอม่เอห์จ ง, นะงย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตท่านทั้งหลายเข้ามาย้อจิตท่านเข้ามาดูตรงนี้สิ จริงทน่ะัถูกกับวงปฏิบัติเองเลยนี่เราสอนเราอไรนะที่สอนเ้ามานี้ี่พูดง่ายกว่า ง, งเป็นว่าไปไหนวะวางน่นถ้าเราสอนเราถ้าม่งที่ทีนไมห่หมายถึงะไเรียกคนอื่นที่ไหนให้มาดูทำของจริงเลยเขาจะหาว่าบ้ า, บาเราปฏิบัติม่มีปีกเนี้อกันบ้างเป็นความถนัดอ่างนี้แน่ใจอย่างนี้ด้วยนะ เป็นโรงพยาหา่ไม่ใช่โรงพยาบาลการที่ติดโกด้ทนนั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองหนี่งย้อนเข้ามาเถอะเข้ามานี่จะส่งไปข้างนอกส่งไปเส้อเพินแตกับอะไรดูนี่คือความหมายวันแต่พูดทางด้านปฏิยัตกับปฏิบัตมันมีปีกมีแยกกันไปเข้าร่วมกันแล้วก็ออกเนี่ย้นช่ไหมยังไงก็ตามมันไม่สงสัยกาเล่นภาคปฏิบัติคือภาคความจริง ประสบะการณ์เองมันทับอย่างที่ว่ามัชฌิมาปฏิปัติกานี่ามัชฌิมาปฏิบาาั า, บ า, าเดินทางสายกลางไม่ยิงนักไม่หย่อนนักทางเดมันเดินยังไงเดินไม่ยิงนักไม่หย่อนนักเดินยังไงความคาดความหมายความจำเรามันก็เหมือนกับเราเรียนวิชานักรบด้วยกันสงคนทหารเดินวิชานักลบด้วยกันสองค น, ง เ, น, น, น, งคนเป็นภูมิด้วยกันนั่นแหละ แต่คนหนึ่งไี่เข้าสู่สงครามเข้าสู่นแนรบกับคนหนึ่งมันจะเข้าใครจะพูดได้อย่างชาญฉานก็กลางก็ผู้เข้าสู่สงครามมันคือเป็นผู้ไปเจอความจริงซะเองเนะวิธลีลบยังไงคนใช้สัจอาวุธประเภทไหนกับข้าสึกชั้นประเภทใดผู้เป็นนักรบนั้นน่ะเป็นผูร้รู้เป็นผู้ท้าย